ทำว่าเช้ากสุดมนตตอนเช้าบทพิเศษเต็ยมตัวพร้อมและกรากรากระหังสมานสมบุรพระคาวัพระผูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหัน ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงจาสรวปชอบได้โดยพระองค์เองวุทังบักขวันตั้งอภิวาเทมีคาบจาวอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบานครา สวังขานโตนผางขาวัญตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนัมมัสสามีคันบะเจ้านัมมัสการพระธรรมกะ สุปฏิปนนท์ผ่านข้าัต้ น, ตนสาวกรสังค์พราทรงสาวงของพระผู้มีพระพาเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามีขามประจาน้อมน้อมพระสง์ ท่นธรรมยังพุทธะภาควาโตปุปปาคณามะกรังกรมเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทสะ นามนัสสานผักาวัตนอรหันตร ส, มรสมัมมาสัมุทาสานอนอบน้อบแ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสอาสรู้ฌาได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า61อ ภาคห้าหมนพิธีโยจากคุ ม, มาโมหะมะลาประกะศถนทานพระองค์ได้มีพระปัญญาจากสุขจัดมนตินคือโมหะเสียแล้วสามังวัพุทธรสุขดอนวิมุตต์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำพังพระองค์เอง สเสร็จไปดีพ้นไปแล้วมารานภาบส า, าวินิโมจะยันโตบาเปสิเคมังจะนาตังวินัยยังทรงเพื่อจุมชนนั่นเป็นเวไนาจากบวงเงมานนำให้ถึงความกเกษมบุตทังวรันตังสิระสานมามิ ข้าพพุทธเจ้าขอถวายนมำสการพระพุทธเจ้าผู้บวรพระองค์นั้นโลกัสสนาทันจาวินายกัญจามผู้เป็นนาถาและเป็นผู้นำแห่งโลกท่านแต่จะสตเตชยสิทธิโอตู ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาพันตรรายเจาวินาสเสมโตและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศ ทำโมนเทอโชโยกิยะตาสสานทุนโมนพระธรรมเจ้าได้เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นทาเสสิโลกันสวิสุตที่มาค้างสำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก นิยานิโกธรรมตราราสทธารีมเป็นคุณอันนำยุเข็นคุ้มครองชนผู้ทรงธรรมสัตวัวะโหสันติกา ร, รสุจินโนปราพุดีแล้วนำความสุขมาทำความสงบ ทามังวรันตังสิระสานามาภิมทามบ๎ุตเจ้าขอถวายนมัสการพระธรรมับโุวนันโมหะปทาลังอุปสันตธาหามอันทำลายโมหะงาบความเร่าร้อน ท่านเตยจะสาเทชัยสิทธิโอตนด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาพันตรรายเจวินาสเสมนตูและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศ สาธรรมมเสนาสุกตานุโคโยนพระสงฆ์กเจ้าใดเป็นเสนาประกาศพระสธรรมดำเนินตามพระศาสดาผู้สเสด็จไปดีแล้วโลวกัสสะปะผู้ปกิเลสเชตาังาจนเสียสิ้งอุปาิเลตันลามองของโลก สันโตสยางสันตินยิยชะโกจังเป็นผู้สงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วยสังขังวรันตังศิราน า, ามามี่งท้าพระพุทธเจ้าขอถวายนามัสการพระสงฆ์เจ้ า, าผู้บว น, นั้น พุทธานุพุทธังสมสิลิาธีติงภูตัสรุตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันท่านเต่จัสาเตชยสสิติโอตูด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งใจชนะจงมีแก่ท่าน ชาพันตรา ย, ยาเจาวินาสเสม็นตูแลขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพิานาศเถอดนะโมรโตสัมมาสัมพุทธสัสสะเมสสิโนข อ, อนอนนอนแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่ นโมอุตมดัมมะสัจวะคาตเซวะเทนิธาว่าน้องน้องแด่พระธรรมวันสูงสุดในพระศาสนานี้ที่พระองค์ตรัไว้ดีแล้ว นะโม마หังคสซาปิวิสุตสิลาิติโนมโกนอมโนมเดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลแทิฏฐิอันหมดจดนะโมอมตยาสัตวสารตะนาตยาสัตว์สัตกง ขอน้อมน้อมดพระรัตนตรัยที่ปารบดีแล้วให้สำเร็จประโยชน์นโมอุมาคติตานสันตสวัรูดายสเพียรขน้อมนเมแนพรรัตนตรัยอันเรื่องบนโทษตำชานั้น นมโมการบพาเวนวิก<ข> า, <ข>าชนตูปันธวาลด้วยความประการการกระทำความน้อมน้อมอุปันธวาลทั้งหลายจงพินาาศไปนมโมการนุภาเวนสุวัติโหตุสตัพพธาลข อ, อความสวัส ด, ดีจงมีทุกเมือ่อ นมโมการสเตเชนวิทิมิโฮมิเตชวานด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อมเราจงเป็นผู้มีเดชในมงคลพิธีเธอ พระหูเทวามนุษย์จะมังคลานิอาจินตายมเทวดาองค์หนึ่งได้การทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมูเทวดาและมนุษย์มากลายมุ่งหมายความเจริญเก้านาะได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วอากัง โสทานังพระหิมังคะระมุตตมังขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลนันสูงสุดเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัตอบดังนี้ว่าอาเซวนาจะพารานังการไม่คบคนผ่านปันดิตานันจะเซวนาการคบบันดต บูชาจะบูชนิยนังการบูชาต่อบุคคลควรบูชาเอตัมังคารมุตตังกิษามอย่างนี้เป็นมงคล น, นันสูงสุดปาตยรูปประเทศวสวัสจังการอยู่ในประเทศอันสมควร ผู้เพจจกกัตาบุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนอัตตสัมมาปณิิจังการตั้งตนไวช้ช่อมเอตมังครมุตตังกิสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาอุสัจจั ง, จางการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก สิปัญจากมีศิลปะวิทยาวินัยอจจสุสิขิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาษิตาจะยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมังคาะมุตตมังกิตสิอย่างนี้เป็นมงคลนั้นสูงสุด มาตาปิตุปทานังการบำรุงเลี้ยงมัณาบิดาพุทธธารัสสังฉคโหการสงคราะบุตรและพันละยาอนาคูลาจกรรมมันต่าการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตามังคลมุตตังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ทานันจังการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจังการประพฤติธรรมญาติกานันจะสังฆ้กอการสงเคราะห์ม่ญานอนาวาจานิกรร ม, มานีการงานนันปรสจักโทษเอตัมบังขลมามุตตมันกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลนันสูงสุด อารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบากกรรมมาช a p านาจะสัญญโมงการยับยั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเ ม, มาอาบังมาโทจะทำเมสวงการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอธรรมังคารมุตตังอีสามอย่างนี้เป็นมงคล น, นันสูงสุด าาาาารารวเจความคารมทิว่าโตเจาความทมตัวสันตุทิจา้าความสันโดนกตัญญูตาความกาตัญญูกาเลนะธรรมะสุนธรรมการฟังทำตามการเอตัมมังคารมุตตัมมังอิทายัางนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ขันติจามคโมดทนโสวาจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสามมานันจารสนางการพบเห็นผู้สงบจากกิเลสการเลณธรรมะสักชาติการสนทนาธรรมตามกาลเอตมัมตมังคะระมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด กาโปจังความเพียนเผากิเลนพระมจริยัญจังการประพื่อพระมจจั์อริยสัจจาณสนาันนัง การเห็นความจริงของพระอริยเจ้านิพพานสัจจิกิรยิยาจาการทำพระนิพพานให้แจง้งเอตัมมังขรมุตตมังกิสีอย่างนี้เป็นมงคล น, นั้นสูงสุด บุธัสโลกธรรมยมินจิตังยสนะกรรมปติจิตของผู้ได้โลกะธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วยอมไม่หวั่นไหวอาโซกรรมเป็นจิตไม่เศร้าโศวิราชางเป็นจิตไรทุลีกิเลส เขมังเป็นจิตเกษมสารเอตมังครมุตตามังกิสิอย่างนี้เป็นมงคลนันสุงสุดเอตาทิสานิการตะวานสัพพะธรรมปราชิตาสัพพะตาโสทิงกาจันติตันเตสังมังครมุตตมันเต เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำ ม, มงคลเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงยอมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถาน ตอนนั้นเป็นมงคล น, นันสูงสุงของเท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีตีด้วยประการชนิดีกุรณียมัทากุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาม กิจนัญไดยันพระอริยเจ้าบรรลุบุตรธรรมกระทาแล้วกิจนั้นนนั้คุณบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทาสากุลชูจะสูชูจัาคุณละบุตรนั้นพึงเป็นผู้อานารและสืตรงดีสูชโจจสมุทุอนาติมานี เป็นผู้วาไงยอ่อนโยนไม่มีอติมาณาสันตุสังโฆจะสุภโรจังเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายอภิกิจโฉจะสันละอุกัณีเป็นผู้มีกิจทุราหน่อยพระพฤทธเ้ากายเบาจิต สันตินดริโยจะนิพพกจันมีอินทรังงามแล้วมีปัญญาอามปาการโพกุเลสุอนันุกิโตนเป็นผู้ไม่ขนองไม่พัวพันในเสพคุณทั้งหลายนาจกุดังสมะจเรกินจีเยนวิญโยปะเรอุปวัตไยยง วิญญูชนตีเตียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมบรไดไม่พึงประพฤติกรรมอันนาเลยพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุกินโอวาเกมิโนตุสัพเพสัตตาเบาันตุสุกิตตตาน ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุงมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอเยเกจิปานาพุตเ ท, ทิงสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ต่สะวะาวาทวารวาอนนวาเสฌามยังเป็นผู้สนุงหรือเป็นผู้มังง่งคัง ทั้งหมดไม่เหลือที่ท้าวเยมันท้าวมัณฑิ ม, มารัสกาอนุการทุราเราใดยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นหรือพร้อมผีที่ท้าวเยเจติท้าเยเจตุเรวสัติเสีิยววิทุเรเราใดที่เราเห็นแล้วหรือม่ได้เห็น เราได้อยู่ในที่ไกลหรือที่ไกลภูตาวาสัมเวสิวานที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบอยู่ก็ดีัาเสพสัตตาปวันตุจุกิรตตา ขอสาตว์ทั้งพวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนับบรอบป ร, รังนิกเพทาสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นนาติมันเยทาการาจีนังกินเียอย่าพึงดูมินอะไรอะไรเขาในที่รารไรเลย พยายาโลสนาปติกสัญญานนยามัญญาสตุกมิตยญาไม่ควรปัดนะทุกแกกันและกันเพราะความกิ้โกรธและความเคืองแค้นมาตายาธานียังพุทธังอายุศาเอกพุทธะมนุราเหม มานดาท่านนองลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพราชีวิตได้ฉันใดเอวัมปิสับพะพูเตสุมาณสัมภาวยเยอาปาริมาง พึงจะเรินเมตามีในใจไม่มีประมาณในสั์ทั้งปัวยฉันนั้นเมตัญจันสะพโลกัสมิงมาณนะสัมบวเาเยอปริมาณังบคุคคลพึงจะเรินเมตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิน้น บูชากระโทจิติเรียนจา้าทังเบื้อ ง, งบนเบื้องต่ำเบืบ้องเียง อาสัมภาทังเวรังอสศะตังเป็นธรรมมันไม่ขับแคมไม่มีเวรไม่มีศัตรูเททันจะรังนิสินโนวาสยโนวนังกูจะเริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดี ย่าวัตสวิขจมิทวงเป็นผู้ปราศจากความม่วงนอนเพียงใดเอตังสติณัติทะยานก็ตั้งสติอนั้นได้เพียงนั้นรัมมะเมตังวิหารังอิธามาหุบัณฑิตทั้งหลายก่าวกิริยานี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานีม เทตินจานุปกรรมสิระวาบุคุณที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลทัสเนนสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทัสนากรรมเมสุอินายะเคธังนำบาหมกมุลในกรรมทั้งหลายออก ในาชาตุกะเพาส ย, ยังปุณเรตีตีตย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกดยแท้ ท, ที่เดียวแหลมสำหรับสุดมนต์พิเศษภาคหาก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเราก็รรลบความเพียรร่วมกัน